ถอเป็นการขอขมาครับครูบาอาจารย์นะครับนะโมทัสสะมขวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะมขวะโตอะนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะมวะโตอะะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเเ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 พุทเฐปมาเทนะธรรมเเมปมาเทนะสังเเคปมาเทนะทวารัตเเยนขตังสัพพังอปปลาทังฆะมัทธเเมพันเตเมแปลว่าฆ่านะมัทุนโณแปลว่าหลายคนนะเออแล้วก็มหเทเรปมาเทนะเทเรปมาเทนะอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเเยนขตังสัพพังอปปลาทัง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 ผูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออยู่กับวิญญาณวสุค น, นวส ถ, ถึงพ่อแม่ของเราเหมือนเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสเราก็ไปกราบคารวานะมานมาตาปิตุเลมารดาบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังพ่อแม่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกขอให้คุณพอ่อคุณแม่โปรดอโหสิให้ข้าพเจ้าด้วยธรรมดาพ่อแม่กับลูกก็ธรรมดาล่ะบางทีขอ โ, โอ้โหโก้ทายกันบ้าง